เพื่อการชำระ ก, การสอบสวนและการตอบแผนด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอข่าวคร า, าวแห่วงวันกิยามะได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรื อ, อ, อนในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ํำต้อยอ ใบหน้าที่ทำงานหนักกระทบใจาานนซึ่งจะเข้าไปเผาไหมในไฟอันร้อนแรงจะถูกให้ดื่มจากการ น, น้ำที่ร้อนจัดไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นน้ำแห้งมันจะไม่ทำให้อ้วน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 จะไม่ได้ยินเรื่องไร้าสาระในวันนั้นในนั้นมีตาน้ำไหลรินในนั้นมีเตียงที่ถูกยกให้สูงเด่นและมีเก้าน้ำถูกบางไว้และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว และมีพรหมอย่างดีเลิศถูกปูไว้พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูอูดบ้างหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไรและยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันจะถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไ ร, รและยังภูเขาบ้างหรือว่า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 นอกจากผู้ที่ินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นอัลลอฮ์จะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต์แท้จริงยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขาแล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้น คือการครับระสอบสวนพวกเขา